วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่พวกเราได้มาอวยพรกันเป็นวันที่พวกเรามาขอพอรมาให้พรกันพรคืออะไร พรก็คือความสุขและความเจริญแต่การให้พรนี้เป็นเพียงแต่การแสดงความปรารถนาดีต่อกันและกันเท่านั้นเพราะพรนี้เป็นสิ่งที่ให้ต่อกันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันสร้างกันขึ้นมาความสุขความเจริญนั้นเป็นผล ที่เกิดจากการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราไม่คิดดีพูดดีทำดีเราจะไม่ได้รับความสุขความเจริญต่อให้มีใครให้พร มากน้อยเพียงไรก็ตามการให้พรนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นมาความสุขความเจริญของเรานี้เกิดจากการกระทาของเราคือเราต้องคิดดีพูดดีทำดีและละเว้นจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี เพราะการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีจะทํานําความทุกข์นําความเสียหายมาให้กับเราไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ไม่มีใครอยากจะมีความเสียหายกันก็ต้องละการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีนี่คือพรที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่เราต้อง ขอกับตัวเราและให้กับตัวเราเองเวลาเราให้พรผู้อื่นเช่นขอให้มีความสุขความเจริญเป็นเพียงแสดงความหวังดีความปรารถนาดีเท่านั้นเองแต่ความสุขความเจริญไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เราให้พรไปบุคคลที่จะรับพรนั้นจะต้องเป็นผู้ สร้างพรขึ้นมาเองสร้างด้วยการคิดการพูดการกระทําที่ดีและละเว้นการคิดการพูดการกระทําที่ไม่ดีแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามมาคือความสุขและความเจริญาการที่เราจะคิดดีพูดดีทําดีได้ การที่เราจะละเว้นจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนั้นเราจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการคิดการทำการพูดที่ดีได้อะไรคือสิ่งที่จะมาสนับสนุนให้เราคิดดีพูดดีทำดี ก็คือสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานนี่แปลว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจสัจจะแปลว่าความจริงใจหรือความซื่อสัตย์ซื่อตรงสัจจะซื่อตรงต่ออธิษฐานคือซื่อตรงต่อความตั้งใจของเราอธิษฐานนี้มีอยู่สองความหมายด้วยกัน ทางญาติโยมนั้นส่วนใหญ่จะเข้าใจอีกความหมายหนึ่งคำว่าอธิษฐานนี้เรามักจะแปลว่าขอขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้เช่นเวลาเรากราบพระแล้วเราก็อธิษฐานขอให้สุขให้เจริญอันนี้เป็นความหมายของทางญาติโยมแต่ความหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอน หรือคำว่าอธิษฐานนี้ท่านมีความหมายว่าให้คือความตั้งใจตั้งใจที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานความตั้งใจถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกันเช่นวันนี้ก่อนที่เราจะมาที่นี่ได้เราก็มีความตั้งใจกัน ตั้งใจว่าวันนี้วันปีใหม่จะมาวัดจะมาทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่คือความตั้งใจพอเราตั้งใจแล้วสิ่งที่เราต้องมีเพื่อที่จะทำให้การตั้งใจนี้ไม่ล้มเหลวก็คือสัจจะคือความซื่อตรงต่อความตั้งใจหรือความจริงใจต่อความตั้งใจ ไม่ล้มไม่เปลี่ยนใจเรียกว่าสัจจะถ้าเปลี่ยนใจก็เรียกว่าไม่มีสัจจะเช่นเราคิดว่าวันนี้จะมาวัดแต่พอถึงเวลาจะออกเดินทางก็มีเพื่อนมาชวนให้ไปที่อื่นเราก็เปลี่ยนใจแล้วเราก็ไปที่อื่นแทนที่จะมาวัดอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจ แต่ไม่มีสัจจะก็จะไม่สามารถทาให้ทาตามความตั้งใจได้แต่ถ้ามีสัจจะมีความจริงใจมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจไม่ว่าจะมีอะไรมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นก็จะไม่ไปเพราะว่าถ้าลองได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็จะ จะต้องทำตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นอกจากเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นตายไปไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถมาได้อันนี้ไม่เรียกว่าเสียสัจจะเพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราตอนที่พระองค์จะ ตัดสรัรในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพนั้นพ่อองค์ก็ได้ตัง้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะนั่งตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรุจนกว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมจนกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้ายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ภายในใจ จะไม่ลุกจากที่นี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้ว่าเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่มีวันลุกคือยอมตายนี่คือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้บังคับใจให้ค้นคว้าหาความจริงให้ภาวนาเพื่อจะได้พบกับความจริง พบกับวิธีที่จะทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพระองค์ไม่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานพอนั่งไปแล้วเกิดไปพบกับความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานก็อาจจะยกธงขาวยอมแพ้ได้แต่ถ้า ได้ตั้งสัจจะอธิฐานแล้วนี้แสดงว่าไม่ยอมแพ้ยอมตายแต่ไม่ยอมแพ้ถ้าจะลุกจากที่นี่ไปก็ต้องพบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วได้ตัดสรูแล้วเท่านั้นนี่คือคุณธรรมที่จะมาทำให้เราสามารถทำอะไรที่เราตั้งใจ จะทำได้ทําได้อย่างสําเร็จรู้ล่วงไปคือเราต้องมีความตั้งใจเช่นเราอยากจะได้พรคือความสุขความเจริญเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะคิดดีพูดดีทดําดีที่จะละเว้นจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราจะได้รู้ เวลาที่เราคิดอะไรเราจะได้รู้ว่าการังคิดไปตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ถ้าเราไม่คิดดีเราก็ต้องคิดดีถ้าเราไม่พูดดีเราก็ต้องพูดดีถ้าเราไม่ทำดีเราก็ต้องทำดีถ้าเราคิดไม่ดีเราก็ต้องหยุดคิดถ้าเราพูดไม่ดีเราก็ต้องหยุดพูดถ้าเราทำไม่ดีเราก็ต้องหยุดทำ นี่คือเราต้องมีเป้าหมายของการคิดการพูดการกระทำเราต้องผูกมัดตัวเราไว้กับความตั้งใจคือตั้งใจว่าจะคิดดีพูดดีทำดีตั้งใจที่จะละเว้นจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราตั้งใจแล้วทีนี้พอเราจะ ไม่คิ ด, ดคิดไม่ดีเราก็ต้องหยุดมันทันทีแล้วก็บังคับให้มันคิดดีเวลาจะพูดไม่ดีก็ต้องหยุดมันแล้วบังคับให้มันพูดดีเวลาจะทำอะไรไม่ดีก็ต้องหยุดแล้วก็บังคับให้ทำแต่สิ่งที่ดีถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีได้ แล้วพอเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะได้ผลคือเราจะได้พรที่เราปรารถนาคือความสุขและความเจริญต่างๆนอกจากมีสาจาัจจะอธิษฐานแล้วเรายังต้องมีความภาคเพียรมีความพยายามพยายามคิดดีพูดดีทำดี ถ้าเราไม่มีความพยายามเราอาจจะไม่ได้คิดดีพูดดีทำดีก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ว่าจะคิดดีพูดดีทำดีแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่พูดดีไม่คิดดีไม่พูดดีไม่ทำดีเราต้องผลักตัวเราบังคับตัวเราด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามถึงแม้ว่ามันจะยาก เราก็ต้องพยายามทำให้ได้แล้วถ้าเราจะทำไม่ไหวเราจะยอมแพ้เราก็ต้องมีขันติมีความอดทนเราทำอะไรแล้วมันยากลำบากเราอยากจะยอมแพ้อยากจะเลิกเราก็ต้องมีขันติความอดทนทนต่อความยากทนต่ออุปสรรคต่าง เพราะการคิดดีพูดดีทำดีนี้มันเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาการเดินขึ้นภูเขานี้มันไม่ใย่เป็นของง่ายเหมือนกับการเดินลงภูเขานะการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี <t <t ้เป um> ็นเหมือนกับการเดินลงเขามันง่ายลองสังเกตดูการลักทรัพย์นี่มันง่าย การพูดปดนี่มันง่ายแต่การไม่รักทรัพย์นี่มันยากการไม่พูดปดนี่มันยากเพราะว่าเรามักจะชอบทำในสิ่งที่ไม่ดีมันติดมาเป็นนิสัยของเรามันเลยทำได้ง่ายส่วนความดีนี้เราไม่ค่อยได้ทำกันพอจะมาทำกันก็เลยรู้สึกว่ามันยาก แต่ถ้าเราพยายามบังคับให้พยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายต่อไปมันก็จะทำได้อย่างไม่รู้สึกยากลาบากแต่อย่างไรแต่ถ้ามันยากก็ต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ขันติความอดทนทำไปเรื่อยๆผืนไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะทำได้ เช่นอาบายามุกต่างๆเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนความเกลียดคา้านสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำกันง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ทำกันมาก่อนติดเป็นนิสัยมาพอเวลาจะให้เลิกมันก็จะรู้สึกยากเพราะไม่เคย ไม่เคยเลิกมีเคยแต่ทำคนที่ดื่มสุราติดสุราเวลาจะเลิกดื่มสุลานี้จะรู้สึกว่ายากแต่คนที่ไม่ได้ดื่มสุลานี้จะให้ดื่มสุราก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันเพราะไม่เคยดื่มสุลามาก่อนแต่คนที่เคยดื่มสุลาแล้วติดสุรานี้จะเลิกดื่มสุลายากจะดื่มสุราง่าย ดังนั้นเวลาที่เราจะทำความดีนิมถ้าเรารู้สึกว่ามันยากก็ขอให้คิดถึงผลที่จะตามมาว่ามันจะทำให้เรามีความสุขและมีความเจริญเวลาที่เราจะเลิกการกระทำสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้คิดถึงผลที่ไม่ดีที่จะตามมาถ้าเรายังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่ถ้าเราเห็นผล ของการกระทำของเราเราจะได้มีกำลังใจมีความภาคเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกิดผลที่ดีคือความสุขและความเจริญและมีความเพียรพยายามที่จะละการกระทำที่ไม่ดีต่างๆให้หมดไปเพราะเรา เห็นผลของการกระทำไม่ดีว่ามันจะทำให้เราต้องทุกข์ต้องเสียหายนี่คือเราต้องมองถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเราเห็นผลที่จะตามมาแล้วเราจะได้มีความพยายามที่จะทำสิ่งที่จะทำให้เกิดผลดี ขึ้นมาและพยายามที่จะละการกระทาที่จะทำให้เกิดผลเสียหายขึ้นมาแล้วถ้ามันรู้สึกยากลำบากอยากจะเลิกก็ต้องใช้ความอดทนใช้ขันตินี่คือคุณธรรมสี่ประการด้วยกันที่เราควรที่จะฝึกสร้างกันขึ้นมาคือหนึ่งอธิษฐานความตั้งใจ สองสัจจะความจริงใจสความภาคเพียนและสขันติความอดทนพยายามสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะสามารถบังคับตัวเราให้ทำสิ่งที่ดีที่จะให้ความสุขและความเจริญให้กับเราได้สิ่งที่ไม่ดี ที่จะทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายเราก็เลิกมันเสียอย่าไปทำมันแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวนี่คือเรื่องของพอรผลของการกระทำของคือเป็นผลของการกระทาของเราผู้อื่นไม่สามารถให้ความสุขความเจริญกับเราได้ ผูอื่นไม่สามารถให้ความทุกข์ความเสียหายให้กับเราได้เราเป็นผู้สร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับตัวของเราเองเราจึงต้องมีอธิษฐานความตั้งใจเช่นในวันปีใหมน่นี้เรามักจ ะ, ะถือเป็นวันที่เราจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน อะไรที่ผ่านมาแล้วที่ไม่ดีเราก็อยากจะเลิกมันไม่อยากจะทำมันอะไรที่ดีที่เรายังไม่ได้ทำเราก็อยากจะทำมันเราก็มักจะมาตั้งสัจจะอธิษฐานกันในวันขึ้นปีใหม่เช่นถ้าเราเคยดื่มสุรายาเมาแล้วเห็นว่ามันไม่ดี วันนี้ปีใหม่เราก็มาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะไม่ดื่มโซราต่อไปตั้งใจแล้วก็ต้องไม่ล้มความตั้งใจต้องมีสัจจะเพราะความตั้งใจนี้เป็นเหมือนการให้คํามั่นสัญญากับตัวเองถ้าเราให้คํามั่นสัญญาแล้วเราไม่ทําตามคํามั่นสัญญาก็แสดงว่าเราหลอกลวงโกหกหลอกลวงไม่มีสัจจะ ถ้าเราไม่มีสัจจะตั้งอะไรไว้ก็จะไม่เป็นผลตามมาถ้าเรามีสัจจะจะทำอะไรแล้วเราก็จะต้องทาตามที่เราตั้งไว้พอถึงเวลาอยากจะดื่มสุราเราก็ต้องใช้ความพยายามบังคับใจไม่ให้ไปดื่มสุราให้ได้เวลาไม่ได้ดื่มมันก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจก็ต้องใช้ขันติ ความอดทนทนไปเดี๋ยวไม่นานความอยากดื่มสุรามันก็จะเบาลงไปแล้วความทุกข์ทรมานใจมันก็จะน้อยลงไปและหมดไปได้ถ้าเราอยากจะให้การกระทําของเรานี้ง่ายขึ้นเราก็ต้องเสริมด้วยธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือสติ เวลาที่เร า, อ, าอยากจะดื่มสุราคิดถึงเรื่องการดื่มสุราคิดแล้วก็ทำให้อยากอยากแล้วพอไม่ได้ดื่มก็จะรู้สึกทรมานใจวิธีที่จะทำให้ความทรมานใจนี้เบาลงไปหรือหายไปก็คือให้เราใช้สติพยายามหยุดความคิดหยุดความอยากดื่มสุราการที่เราจะ มีสติได้นั้นเราต้องใช้ธรรมะคือกรรมฐานไว้มาผูกใจเราผูกใจให้เราหยุดคิดหยุดอยากเช่นคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติเป็นการสร้างสติด้วยการลราลึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาที่เราเกิดความคิดอยากจะเดิมสุรา เกิดความอยากจะดื่มสุราแล้วเกิดความรู้สึกทรมานใจถ้าเราไม่มีขันติกำลังที่จะผืนเดี๋ยวเราจะสู้ไม่ไหวถ้าเราอยากจะสู้ไหวนี้ขอให้เราเอาสติมาช่วยเอาคำบริกรรมพุทโธพุทโธมาช่วยพยายามบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดคำบริกรรม เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงความอยากที่จะดื่มสุราถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสุราได้ไม่สามารถไปอยากดื่มสุราได้พอเราไม่คิดไม่อยากดื่มสุราความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากดื่มสุรามันจะมันก็จะระงับไป แต่มันก็จะระงับเพียงขณะที่เราใช้พุทธโธหยุดคิดหยุดความอยากพอเราไม่ได้ใช้พุทธโธหยุดมันก็จะคิดแล้วมันก็จะอยากอีกถ้าเราอยากจะให้เราหยุดความอยากดื่มสุราได้อย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งคือปัญญาปัญญาคือความจริง ที่จะสอนให้เราเห็นโทษของการดื่มโซราว่าถ้าเราอยากดื่มสซาแล้วเราไปดื่มโซราความอยากดื่มสุลานี้มันจะไม่หมดนะมันจะอยากดื่มไปเรื่อยๆพอได้ดื่มแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มอีกพออยากถ้าไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ทรมานก็ต้องดื่มเดื่มแล้วก็เดี๋ยวก็อยากดื่มอีกมันก็จะอยากไปไม่มีวันสิ้นสุด และเวลาใดที่อยากแล้วไม่ได้ดื่มสุราก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานใจอันนี้คือปัญญาเราต้องเห็นโทษเห็นความทุกข์ในการที่เราไปทําตามความอยากความอยากดื่มสุรานี้ทุกครั้งถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าเรากําลังไปสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับเรา การสร้างความสุขให้กับเราคือการไม่ดื่มสุราไม่อยากดื่มสุราการที่เราจะไม่อยากดื่มสุราได้ก็ต้องเห็นว่าสุรานี้มันเป็นอันตรายมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขชั่วคราวมันได้ความสุขชั่วขณะที่เราดื่มพอหลังจากนั้นแล้วความสุขนั้นก็หายไปพอหายไปก็ทำให้เกิดความอยากดื่มสุราขึ้นมาใหม่ เพื่อจะได้มีความสุขใหม่แต่พอไม่สามาร ถ, ถดื่มได้เช่นร่างกายอาจจะขาดเก็บไข้ได้ป่วยหมอห้ามไม่ให้ดื่มสุราหรือว่าไม่มีเงินซื้อสุราหรือว่าไม่มีสุราขายเช่นไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสุราให้ดื่มมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจคนที่ไม่ใยคนที่ไม่ได้อยากดื่มสุรานี้เขาจะไม่เดือดร้อน เวลาไม่มีส er ุราดื่มเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเงินซื้อสุรามาดื่มเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเขาไม่สามารถดื่มสุราได้เขาก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจมันก็จะทำให้เราเลิกความอยากเลิกความอยากดื่มสุราได้นี่คือ วิธีการที่เราจะมากําจัดสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความเสียหายกับเราสิ่งที่จะทําให้เราเสียหายนี้ก็มีสองอย่างด้วยกันคือการกระทําบาปและการเสพอบายามุกอบายามุกนี้เป็นเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตร ความเกียดคร้านการกระทําเหล่านี้จะดึงให้เราตก่ํำจะดึงให้เราเข้าหาความทุกข์เพราะการกระทําเหล่านี้ไม่ได้ผลิตรายได้ให้กับเรามีแต่ดูดทรัพยากรดูดทรัพย์เงินทองของเราไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วจะทําให้เราเดือดร้อนขึ้นมาต่อไปเพราะว่า เงินทองที่เรามีอยู่จะล่อยหลอหรือจะหมดไปหรือไม่พอใช้แล้วเราจะต้องไปทําบาปเพื่อที่เราจะได้หาเงินทองมาเพราะเราจะไม่สามารถไปทำมาหากินแบบสุจริตได้เพราะเราจะไม่มีเวลาไปทำมาหากินเราหมูแต่เอาเวลาไปเสพอาบายมุขหัวแต่ไปเล่นการพนันหมวแต่ไป เสพุรายามามัวแต่ไปเที่ยวเตะหรือมีความเกียจค้านไม่ชอบทํางานทําการมันก็จะบังคับให้เราต้องไปทําบาปต่อไปบาปก็คือการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเช่นการไปรักทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์ของใครเขาใครก็รักใครก็หวงไม่มีใครอยากจะ เสียทรัพย์ของตนไปนเวลาเราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะทำให้เขาเสียหายทำให้เขาทุกข์ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะเขาก็ต้องใช้ทรัพย์ของเขาเพื่อที่จะได้ไว้เลี้ยงดูปากท้องของเขาถ้าเราไปขโมยทรัพย์เราก็จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วมันก็จะทำให้เขาต้องมาจัดการกับเราเช่นถ้า มีกฎหมายก็จะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาตามจับเร า, เาถ้าจับเราได้เราก็ต้องถูกจับลงโทษถูกไปจับขังคุกขังตารางาความสุขความเจริญที่เราได้ก็จะไม่มีจะมีแต่ความทุกข์ความเสียหายปรากฏขึ้นม า, าดังนั้นเราจึงควรพยายามละอบัยามุขถ้าละอบัยามุขได้ โอกาสที่เราจะไปทำบาปก็จะมีน้อยมากถึงแม้ว่ายังจะมีได้อยู่แต่อย่างน้อยมันก็ตัดช่องทางของการไปทำบาปได้ถ้าเราเลิกดื่มสุราได้เลิกเล่นการพนันได้เลิกเที่ยวเตะได้เลิกคบคนไม่ดีคือคนที่ชอบดื่มสุราคนชอบเล่นการพนันคนชอบเที่ยวเตะนี้ ทางธรรมะถือว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนโง่คนพาลเป็นคนไม่ฉลาดเพราะทำร้ายตัวเองทำลายตัวเองด้วยการกระทขาของด้วยการดื่มสรุราด้วยการเล่นการพนันด้วยการเที่ยวเตรด้วยความเกลียดคร้านนี่เองถ้าเราครบกับคนไม่ดีเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชวนเราไปดื่มสุรายาเมาชวนเราไปเที่ยวเตะ ชวนให้เราไปทำบาปต่อไปเวลาที่เงินทองไม่พอใชอ้นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามละกันให้ได้คืออบายามุขนอกจากอบายามุขเราก็ต้องมาละการกระทำบาปที่มีอยู่สี่ข้อหข้อด้วยกันคือการฆ่าสัตว์การทำร้ายชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน เขาก็รักเขาก็หวงชีวิตของเขาเหมือนกับเรารักและหวงชีวิตของเราเราไม่อยากให้ใครมาทำร้ายชีวิตของเราเราก็ไม่ควรไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเรารักทรัพย์ของเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาเอาทรัพย์ของเราไปเราก็อยากไปรักทรัพย์ของผู้อื่นเรารักสามีรักภรรยารักบุตรธิดาของเรา เราก็ไม่อยากจะให้ใครเขาม า, ายุ่งกับสามีภรรยาหรือบุตรธิดาของเร า, เ, าเราก็ต้องละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีเราไม่อยากให้ใครโกหกหลอกลวงเราเราก็อย่าไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพราะทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเขาเดือดร้อนได้นั่นเองพอเขาเสียหายเขาเดือดร้อนเขาก็จะกลับมาตอบโต้เรามา จองเวรจองกรรมเราเพราะเราไปทำให้เขาเสียหายเขาก็จะตามมามาเอาคืนจองเวรจองกรรมก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันไปเจ้า ก, กรรมนายเวรนี้ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากการกระทำบาปของพวกเรานี้เองถ้าเราไม่กระทำบาปนี้เราจะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเราจะมีแต่คนรักเราชอบเรา ถ้าเราทำความดีเช่นแทนที่จะเอาเงินทองของผู้อื่นไปขโมยเงินทองของผู้อื่นถ้าเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาไปแบ่งให้กับผู้อื่นเรียกว่าทำทานถ้าเราทำทานได้เราก็จะทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขแล้วพอเ็ามีความสุขเขาก็จะรักเราชอบเราแล้วถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะดูแลเราช่วยเหลือเราต่อไป เราจะได้มิตรเราจะได้มีมิตรมีเพื่อนแต่ถ้าเราไปทำบาปกับเขามันก็จะทำให้เรามีศัตรูมีผู้ที่จะจองร้ายจองล้างจองผานเรา <c oughs> นี่คือเรื่องของการกระทาต่างๆที่เรากระทำกันมีการกระทาดีและมีการกระทาไม่ดีการกระทาไม่ดีก็อย่าไปทำ เพราะมันจะนำความทุกข์ความเสียหายต่างๆมาให้กับเราขอให้เราทำดีกันทำดีแล้วเราก็จะได้รับผลดี <c oughs> คือเวลาเราทำดีนี้ใจเราจะมีความสุข <c oughs> ความดีนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะร่ำรวยไม่ได้หมายความว่าเราจะเริญนทางลาบยศสรรเสริญ <c oughs> แต่การทำความดีนี้จะทำให้เรา มีความสุขใ จ, จเจริญทางด้านจิตใจจิตใจจะเป็นจิตใจที่น่าเคารพนับถือคนที่ทำความดีต่อผู้อืน่นนี้ผู้อื่นย่อมเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญในทางตรงกันข้ามถ้าทำไม่ดีต่อผู้อื่นก็จะผู้อื่นก็จ ะ, ะประนามดูถูกดูแคลนเหยียดหยาม การกระทำบาปนี้จะทำให้เราเสื่อมทำให้เราตกต่ำไม่ได้ทำให้เราเจริญทางด้านจิตใจฉั้นเวลาเราทำความดีฉนั้นขอให้เรามองผลที่ใจเป็นหลักอย่าไปมองผลภายนอกเช่นราบยศจัลลเสินสรหรือรังวี่รังวันอะไรต่างๆคนเราส่วนใหญ่มักจะมองที่ผลข้างนอก คือเวลาทําความดีก็อยากจะได้ผลตอบแทนอยากจะได้รางวัลเช่นทําความดีแล้วก็อยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นพอไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ท้อแท้ใจหมดกําลังใจที่จะทําความดีอันนี้เป็นเพราะว่าไปมองผิดที่ผลของการทําความดีที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเรา เช่นเดียวกับผลของการกระทําความชั่วก็อยู่ที่ใจของเราเกิดขึ้นที่ใจของเราคือความสุขความทุกข์ใจนี้มันจะเกิดจากการทําดีหรือทําชั่วนี้เองถ้าเราไปมองผลภายนอกเราจะสับสนเพราะเราจะเห็นคนทําชั่วแล้วได้ดีกันมีสมเถไปทําชั่วแล้วร่ํารวยกันทําชั่วแล้วเป็นใหญ่เป็นโตกัน เราก็จะไม่เราก็จะสงสัยหรือสับสนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ <Yeah. S 1> ที่ท่านสอนว่าทําดีได้ดีก็คือจิตใจนี้จะดีจิตใจนี้จะเจริญจิตใจของเรานี้มีการเจริญและมีการเสื่อมแต่ไม่ได้เหมือนกับ การเจริญและเสื่อมของาลาภยศสรเสริญสุขเนี่ยจิตใจเราเจริญจเจริญด้วยคุณธรรมจเจริญด้วยสถานภาพจิตใจเรานี่มีหลายสถานภาพด้วยกันเช่นตอนนี้เรามีร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจของเราอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้หรืออาจจะต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้หรืออาจจะสูงกว่ามนุษย์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการทําบุญหรือทําบาปของเราทําความดีหรือทําความชั่วของเราเออถ้าเราทําบาปนี้จิตใจของเราจะเลื่อนลงจากการเป็นมนุษย์ไปจากเป็นมนุษย์ก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายและไปตกนรกต่อไปออนี่คือความเสื่อมผลที่เกิดจากการทําบาปของ ผลมันเกิดที่จิตใจถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีร่างกายเป็นมนุษย์ก็ตามแต่จิตใจนี้อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ได้เช่นถ้าเราทําบาปทําบาปโดยที่เราไม่รู้ว่ามีมผลต่อจิตใจของเราเราทําบาปเพราะเราคิดว่ามันจําเป็นต้องทําเช่นเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทํา อ, อาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เราก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องฆ่าเพื่อให้เขาอยู่รอดเหมือนกันแต่เราเป็นมนุษย์นี่เราเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานที่เรามีทางเลือกอื่นเราสามารถที่จะเลี้ยงชีพของเราได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าผู้อื่นแต่เราไม่รู้เราคิดว่าฆ่าผู้อื่นหรือไม่ฆ่าผู้อื่นมันก็เหมือนกันถ้าเราทาเพื่อเลี้ยงชีพของเราแต่ ความเสื่อมมันจะเกิดขึ้นกับจิตใจจิตใจจะกลายเป็นเดรัจฉานไปทั้งๆ ท, ที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจได้เป็นเดรัจฉานแล้วพอเวลาตายไปก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์จะต้องไปเป็นเดรัจฉานก่อนไปใช้บาปที่ได้ทําไว้ก่อนจนกว่าบาปที่ได้ทํานั้นหมดแล้วถึงจะกลับมาได้เป็นมนุษย์ใหม่ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นมีอะไรที่จะทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราก็ทำกันไปเช่นวันนี้ญาติโยมก็นำเอาข้าวของมาถวายพระอันนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้พระมีความสุขจะได้อยู่อย่างสุขสบายเพื่อที่จะได้ศึกษาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้บรรลุธรรมแล้วจะได้นำเอาธรรมที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผสั่งสอนให้แก่ญาติโยมกันต่อไปการกระทาแบบนี้ก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจที่เราเห็นว่าเราได้ทาคุณทาประโยชน์เราได้สร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นผลของการทำบุญนั้นเกิดขึ้นทันทีที่ใจใจเราก็จะเป็น ใจเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะเลื่อนจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆต่อไปแล้วเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาร่างกายตายไปบุญที่เราทํานี้ก็จะส่งให้เราได้ไปเป็นเทวดาไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นในการทําความดีหรือในการทําความชั่วไม่ได้ เกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเราไม่ได้เกิดจากการได้รับสิ่งต่างๆเช่นทําความดีแล้วจะรวยขึ้นจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นอันนี้ไม่แน่นอนบางทีก็เป็นด้วยบางทีก็ไม่เป็นถ้าเป็นก็อย่าไปถือว่ามันเป็นผลที่เราต้องการเพราะความเจริญในลาบยศสารเสญมันก็เป็นความเจริญชั่วคราวเท่านั้นเอง มันจะแลนได้มันก็เสื่อมได้เช่นอาจจะได้ตำแหน่งนี้พอได้ไม่นานเดี๋ยวก็ถูกเขาปลดออกไปก็ได้พอเวลาถูกปลดก็จะเสียใจอีกอย่างพวกนักการเมืองที่เขาสมัครเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกกันพอหมดวาระหมดสมัยเขาก็หมดตำแหน่งไปเขาก็ต้องหาใหม่ อันนี้คือผลที่อาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้จากการทําความดีขึ้นอยู่ว่ามีคนเขาเห็นเขารู้ว่าเราทําความดีหรือไม่เช่นถ้าเราทําความดีแล้วผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเขาเห็นการทําความดีของเราเขาก็อาจจะอยากจะสนับสนุนเราส่งเสริมเราเขาก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับเรา หรือให้รางวีรางวัลหรือเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนให้อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่เห็นเห็นความดีของเราหรือเขาไม่ชอบเราถึงแม้เราจะทําความดีเขาก็จะไม่สนับสนุนเราก็ได้เพราะเขาไม่ชอบเราดังนั้นเราต้องมองผลของการทำดี หรือของการทำชั่วนี้ที่ใจของเราแล้วเราจะได้ไม่ลังเลสงสัยว่ามีผลหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปมองผลที่เราจะได้รับจากผู้อื่นนี้มันอาจจะไม่ได้รับคนทำชั่วอาจจะไม่ได้ถูกจับไปลงโทษก็ได้เพราะตำรวจอาจจะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนตามตัวไม่ได้หรือบางทีไม่มีใครไปแจ้งความ ก็ไม่มีใครรู้ว่าเราได้ทําความชั่วเอาไว้เราได้ทําผิดกฎหมายได้ทําบาปก็จะไม่มีใครมาตามจับเราไปลงโทษแต่เวลาเราทําบาปทําความชั่วทําผิดกฎหมายแล้วความทุกข์ใจมันจะเกิดขึ้นมาทันทีกวามไม่สบายใจความหวาดระแวงความหวาดกลัวมันจะโผล่ขึ้นมาในใจของเราทันทีแล้วความเสื่อมของใจของเราก็จะเสื่อมลงไป ถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความหลงแล้วก็ไปเป็นเดรัจฉานใจเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความโลภใจเราก็จะกลายเป็นเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะเป็นอสุรกายถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเราก็จะเป็นนรกใจก็จะเป็นนรกลุกเป็นไฟขึ้นมาอ่านี่คือ ความสุขความเจริญที่เราพูดกันนี้อยู่ที่ใจของเราหรือความทุกข์ความเสื่อมก็อยู่ที่ใจของพวกเรามันเกิดจากการกระทําของพวกเราเองคือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจนีดังนั้นเราจึงต้องมาคว บ, บคุมบังคับใจของเราให้ไปในทางที่จะทําให้เรา สุขให้เราเจริญถ้าเราไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญเราก็ต้องไปศึกษาจากผู้รู้จักทางผู้ที่รู้จักทางสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองนี่คือสาเหตุที่ทําไมเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการเรียนรู้ทาง ที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญที่จะพาให้เราอยู่ให้เลาะให้พ้นจากความทุกข์ความเสียหายต่างๆไม่มีใครรู้จักทางนี้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไปศึกษาที่อื่นเขาก็จะพาเราหลงทางเพราะเขาจะคิดว่าการพ้นจากความทุกข์ก็คือการไปหาลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเอง ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งความจริงแล้วมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบกับดักสุดกับดักสัตว์พอไปหาความสุขแบบนี้มันก็จะทำให้ติดติดกับแล้วก็จะทำให้ทุกข์มันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาปลาไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้ก็จะสุกเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้กินเหยื่อ แล้วพอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวป่าเข้าทีนี้ก็จะทุกข์และอาจจะต้องถึงกับเสียชีวิตไปนี่คือความสุขทางโลกความสุขทางลาบยศ ส, สรรเสนนี้มันไม่ได้เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการพัดพาคจากกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายของทุกอย่างที่เราหาได้ในโลกนี้เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้มันเป็นของที่อยู่ประจําโลกนี้เช่นลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เราเอาไปไม่ได้เวลาตายไปไม่มี เราเอาเงินไปไม่ได้เอาตำแหน่งไปไม่ได้เอารางวัลอะไรต่างๆไปไม่ได้เอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปไม่ได้เพราะเราไม่สามารถเอาร่างกายของเราไปได้นั่นเองร่างกายเราก็ต้องทิ้งอยู่ในโลกนี้พอไม่มีร่างกายก็จะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสบลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจึงกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราไม่สามารถ หาความสุขจากลาบยศสารเสวนจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้แต่ไม่มีใครรู้ทุกคนในโลกนี้คิดว่านี่คือความสุขของมนุษย์เรานี่คือสิ่งที่พวกเราต้องหากันแล้วก็เลยต้องมาร้องห่มร้องไห้กันเวลาที่เกิดการพัดภาคจากลาบยศสารเสริญพัดภาคจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็จะ พบกับความทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่จะพบกับความทุกข์เฉพาะพบนี้ชาตินี้เท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันก็ยังมีอยู่ในใจของเราใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี้เป็นผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายให้ไปหาความสุขให้กับเรา พอเราไม่มีไม่มีร่างกายที่จะรับใช้เราเราก็ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่หลังจากที่เราไปใช้บุญใช้บาปมาก่อนเวลาเราตายไปก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เรายังต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนพอเราใช้บุญใช้บาปเสร็จแล้วเราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะเรายังมีความอยากที่จะหาความสุข จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นั่นเองนี่คือความรู้ที่เราจะไดร้รับจากถ้าเราไปศึกษาจากผู้อื่นถ้าเราไม่ได้ศึกษากับพระพุ ท, พทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราได้มาศึกษากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนว่าอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่า มันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดเวลามันเสื่อมเวลามันหมดนี้มันทําให้เราทุกข์ไม่เชื่อลองดูถ้าเราหมดเนื้อไม่มีเงินทองใช้เมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์เวลาเรามีเงินทองใช้นี่เราจะไม่รู้สึกทุกข์อะไรแต่เวลาเงินทองหมดเนี่ยเราถึงจะรู้ว่ามันทุกข์กันเพราะว่าเงินทองนี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเอ มีมาได้ก็มีหมดได้เวลาหมดเราก็จะทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ไปหาเงินทองเราไม่ไปใช้เงินทองเราไม่พึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเวลาเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อนกันนี่คือถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงเราต้องมาศึกษากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น แล้วพพุทธพรธรรมพระสงฆ์จะสอนวิธีสร้างความสุขความเจริญที่แท้จริงให้กับเราคือความสุขความเจริญที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้คือความสุขความเจริญของใจอย่าไปหาความสุขความเจริญของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันเป็นของชั่วคราวเวลาร่างกายตายไปแล้วเราจะไม่สามารถเอาไปกับเราได้เราก็จะไปแบบขอทาน ไปแบบไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปแต่ถ้าเรามาศึกษากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนให้เรามาหาสมบัติภายในใจหาความสุขความเจริญภายในใจด้วยการทําบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมคือการบําเพ็ญจิตตภาวนาทําใจให้สงบทําใจให้ฉลาด แล้วจิตใจของเรานี้จะมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าไปจนถึงขั้นสูงสุดเลยถ้าเราสามารถทำได้ครบเต็มร้อยทั้งในธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราทำทานได้เต็มร้อยหมายถึงเรามีทรัพย์สมบัติอะไรที่เราไม่ต้องใช้นี่เราเสียสละไปให้หมดเลยเก็บไว้เท่าที่เราจาเป็นจะต้องใช้เท่านั้น หรือถ้าเราไม่ต้องใช้เลยก็ไม่ต้องเก็บไว้เลยเช่นพวกที่ไปบวชกันนี้เขาก็ไม่เก็บทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้เลยเขาก็ทำทานอย่างเต็มที่เลยเต็มร้อยเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติไปเลยเพราะว่าการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้จะทำให้เราได้ไปสร้างความสุขสร้างความเจริญทางจิตใจได้เต็มร้อยนั่นเอง ถ้าเรายังติดอยู่กับการหาเงินทองติดอยู่กับการใช้เงินใช้ทองอยู่เราจะไม่สามารถที่จะไปสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจได้เต็มร้อยอาจจะได้บ้างเล็กๆน้อยน้อยเช่นวันพระเราอาจจะไปวัดไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมแต่เราก็จะทำได้แค่อธิษฐานสองวันเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสลทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วก็ไปบวช ไปอยู่วัดนี่เราก็จะสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ตลอดเวลาได้เต็มร้อยแล้วถ้าเราได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยเราก็จะสร้างความสุขความเจริญของจิตใจให้ได้เต็มร้อยเลยให้ได้เต็มร้อยไปแต่ละขั้นขั้นต้นก็ได้เป็นเทพก่อนขั้นที่สองก็ได้เป็นพรมขั้นที่สามก็ได้เป็นพระอริยบุคคล ขั้นที่หขั้นที่สองขั้นที่3ขั้นที่สี่พระอริยบุคคลมีสขั้นขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้านี่คือความเจริญของจิตใจที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้เต็มร้อยทั้งสามระดับ คือทานศีลและภาวนาหรือทานศีลสมาธิและปัญญานี่แหละคือการสร้างความสุขและสร้างความเจริญที่แท้จริงที่จะเป็นของเราไปตลอดที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ใช่ไปสร้างความสุขในลาบยศสารเสริญที่เป็นทรัพย์สมบัติชั่วคราวเป็นเป็นสมบัติผัดกันชมพอเราตายไปญาติพี่น้องลูกหลานก็เอาไป แต่ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงนี้ไม่มีใครเอาจากเราไปได้ทรัพย์ภายในทรัพย์ที่เกิดจากการทำทานทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีลทรัพย์ที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาอันนี้เป็นทรัพย์ที่อยู่ติดกับใจที่เราเอาไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วเราจะไปแบบที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เพราะเรามีทรัพย์ที่ดีกว่าที่มีกว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้เราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องกลับมาหาทรัพย์ในโลกนี้ต่อไ ป, ปพระพุทธเจ้าพระหลานตสาโลกนี้ท่านมีทรัพย์ภายในมีมรรคผลนิพพานเป็นทรัพย์สมบัติที่เป็นสมบัติที่เหนือกว่าทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านจึงไม่จําเป็นที่จะต้องกลับมามาหาทรัพย์สมบัติในโลกนี้ใหม่ ส่วนพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่มีทรัพย์ภายในยังไม่มีมรรคผลนิพพานเวลาเราตายไปเราก็จะต้องกลับมาหาทรัพย์จากโลกนี้อีกเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาทรัพย์ภายในนั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาทรัพย์ภายในแล้วเราก็ไม่ต้องมาหาทรัพย์ในโลกนี้อีกต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่แหละคือความสุขความเจริญที่พวกเราทุกคนปรารถนากันและเราจะได้รับก็เกิดจากการที่เรามีศีะ จ, จะอธิษฐานมีความภาคเพียรมีความอดทนที่จะบากบัน่นสู้กับอุปสรรคต่างๆในการสร้างทรัพสร้างความสุขความเจริญที่แท้จริงด้วยการไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพยายามทำทานเสียสละแบ่งปันไปเงินทองที่มีอยู่อย่าเอาไปใช้ให้อย่าไปใช้ตามความอยากเพราะมันเป็นการไปสร้างความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มามันจะกลายเป็นความทุกข์ไปหลังเพราะมันจะต้องหมดจะต้องเสื่อมไปนั่นเองเอาเงินทองไปช่วยเหลือผู้อื่นดีกว่าถ้าเรามีเหลือเฟือเหลือเหลือกินเหลือใช้ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำถ้าไม่มีก็ไปรักษาศีลไปภาวนาเลยเราไปสร้างความสุขความเจริญให้ได้เต็มร้อยให้ได้มรรคผลผนิพพานเพื่อที่เราจะได้มีความสุขความเจริญเต็มที่แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านจง เอาพอรอันวิเศษนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเถิดแล้วความสุขความเจริญที่แท้จริงจะเป็นสมบัติของท่านต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิที่ตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตุสัพเทปุรเอนตุสังกปาจันโทปนนาระโสยธามณิโชติหระโสยธาสพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภาวโตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวะทานติอายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมพอเลิกประชุมแล้วก็ของดการถามถ้าใครไม่อยากจะถามเอง เ, เขียนข้อความเข้ามาก็ได้กาบเดินพระจาจาร์ค่ะพอดีครั้งที่แล้วเคย เคยเยนพระอาจารย์เรื่องว่าพบจิตผู้รู้แล้วจิตมันก็เย็นอยู่ข้างในทั้งวานนะคะแล้วพระอาจารย์บอกว่าก็ให้รักษาความเย็นอันนั้นเอาไว้เสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยจิตมันจิตกสติเดี๋ยวมันผูกกันโดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิเราเลืมตาเราก็รู้จิตมันก็เด่นอยู่อยู่อย่างนั้นนะคะสุดท้ายตอนนี้หนูก็เริ่มเริ่มพิจารณาอสุภะค่ ะ, คะก็เราก็จะเห็นว่าชีวิตมนุษย์หรือซาก โครงกระดูกมนุ like ูย์นไม่ต่างอะไรกับซากสัตว์เลยเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะแล้วอย่างนี้ดูควรจะคอนเซนเต็ดดูควรจะมาดูที่จิตผู้รู้ให้มันมีกำลังมากกว่านี้หรือว่าพิจารณาอสุภะไปก็ควรทั้งทำทั้งสองอย่างสลับกันไปพิจารณาแล้วจิตมันก็จะอ่อนกำลังก็ต้องกลับไปทำจิตให้นิ่งให้สงบ หยุดความคิดหยุดความอยากต่า ง, าง<ม>ถ้าถ้าหยุดความคิดหยุดความอยากไม่ได้ถึงแม้จะมีเห็นด้วยปัญญาก็จะไม่มีกําลังหยุดมันตอนนี้เรายังไม่ได้พบกับความอยากเราเลยเรไม่รู้ว่าเราจะชนะมันหรือไม่การที่เราพิจารณานี่นเป็นเหมือนกับการทำทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเจอความอยากอยากได้แฟนขึ้นมาดูสิว่าอาสุภากับสมาธิจะมีกําลังหยุดมันหรือเปล่า เพราะว่าพอเจอบททดสอบบางอย่างก็จะทราบว่ามันกระเพื่อมหรือไม่กระเพื่อนแล้วก็เหมือนสู้กันนะคะแล้วก็ใช้วิธีพระอาจารย์ใช่ถ้ามันกระเพื่อมแสดงว่าสติเราอ่อนก็มันก็กลับไปนั่งสมาธิให้มันนิ่งให้ได้การที่เราเย็นปิติสุขอยู่อย่างนี้ก็เป็นภาวะของฌานของความสงบแต่มันสงบเพราะว่าไม่มีกิเลสมารบกวน เดีวถ้าเกิดมีเกเลตโผล่ขึ้นมามันก็จะหายไปถ้าไม่ออกไปเราก็ไม่ปรุงแต่งเลยใช่ออแต่ชีวิตเรามันจะต้องจะต้องไปเจอเนะี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตา ย, ยาแล้วก็ตอนพอเจอจิตสงบบ่อยๆอะค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเหมือนนั่งสมาธิอยู่อะค่ะมันวิบเหมือนสายฟ้าผ่าไปตรงกลางอะค่ะแล้วก็ หายไปแต่หนูก็ไม่สนใจเอให้ดูว่ามันเป็นสภาวะธรรมนะคะแล้วก็มีถัดมาไม่นานเนี่ยค่ะก็มีอยู่ครั้งนึงเห็นว่าเอ่อมันวุบมันเหมือนร่างกายเรามีโพงกายอยู่แล้วมีจิตที่เอ่อไม่มีไม่มีตัวตนอะค่ะอยู่ตรงกลางแล้วแล้วก็เลยก็จะรู้ว่าเอ่อความหลงจิตมันบอกว่าเราหลงยึดอยู่ตรงนี้มันเลยทําให้เกิดท่าทั้งสี่ก็เลยทําให้รวมตัวกันเราก็เลยรู้ว่าถ้า ถ้าเราเราจะตายเนี่ยค่ะเราเราก็ตายไปเลยเพราะว่าจิตมันไม่เกี่ยวกันแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหนูจะตายจริงๆเนี่ยหนูควรจะพลิกจิตยังไงเพื่อให้ธรรมมันสูงขึ้นนะคะ อ, อ๋อก็เพียงแต่ปล่อยให้มันตายไปโดยที่ไม่ไปตื่นเต้นตกใจไปหวงไปห่วงไปยึดไปติดมันค่ะ อ, อ่าแล้วเราจะพิจารณาในช่วงท้ายของจิตสุดท้ายยังไงเพื่อให้เป็นพระอนาคามคาออีค่ะพระอาจารย์อ๋อคือ มันไม่ต้องรอจิตสุดท้ายแหละเราเป็นอนาคา ม, มีได้ก่อนเป็นถ้าเราตัดการอารมณ์ได้ถ้าเราไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครไม่อยากมีแฟนไม่อยากอยู่กับใครอยู่คนเดียวได้เราก็เป็นพระอนาคา ม, มีได้ถือศีลแปดไปได้ตลอดชีวิตอก่างนี้าจาจย์นะครับคือก้าผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเรื่องสมาธิในการนั่งไม่ ไม่ค่อยเก่งคือนั่งแล้วก็จะจะหลับแต่แต่นี้คิดเองไม่ทาราบวัตถุนะฮะว่าสมาธิถ้าตามเท่าที่เคยฟังแบบพระาจารหรือไม่ก็พระองค์อื่นถ้าผมสรุปเองว่าคือการที่แบบเราให้เราเหมือนกับว่างหยุดคิดอะไรหยุดคิดมันหยุดคิดเองอืมอันนี้คือเป็นสมาธิมันหยุดคิดแล้ ว, ลวมันเน่งมันสงบมันสบายเบา อ, อกเบาใจมันได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น คือสมาธิถ้ายังไม่รู้สึกสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นก็ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วมันเบา อ, อกเบาใจเหมือนลอยอยู่ในอาวากาศไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความรักชังกลัวหลงอะไรหรืออยู่เลยต้องทำไปถึงจดรู้สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นวิธีที่จะให้ได้สมาธิก็ให้มีสติอยู่มากๆอยู่บ่อยๆอยู่นานๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดดึงมันมาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือให้มันอยู่กับอะไรสักอย่างก็ได้เช่นร่างกายคอยเฝ้าคอยผูกมันไว้เฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยๆอย่าให้ปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นแล้วเวลานั่งสมาธิก็ให้ดูลมไปหรือพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันหยุดคิดปั๊บมันจะเหมือนกึกลงไปเหมือนลกเหมือนลรวิ่งตกเขวไปเงี้ยมันวิ่งมาสุดทางไม่มีถนนวิ่งต่อมันก็วุบลงไป แล้วมันก็จะนิ่งสงบแล้วมันจะด้องเองสมาธิถ้าเป็นสมาธิจริงนี้มันไม่มันไม่สงสัยมันไม่ถามใครพะมันเป็นเหตุการณ์เหมือนพิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนขับรถไปตกเหวอย่างเงี้ยมันไม่ต้องถถนนหายไปไหนไม่มีถนนรถมันก็เลยวุบลงไปเราพูดโท้พูดโทไปพอมันสุดถนนมันก็วุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่ออย่างเงี้ยนะ งั้นอย่าไปคายกันแล้วกันเวลานั่งก็ดูลมไปพุโทโธไปอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะสุดทางเมื่อไหร่จะตกลุมตกบอ่อตกเหวถ้าคิดแล้วมันไม่เป็นนะอย่าไปคิดทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ขับรถไปเรื่อยก็เหมือนเราให้เราฝึกละละเวลามีอะไรคิดเข้ามาให้เราอย่า<ะ>ไปคิดให้มันให้อยู่กับพุโทโธอย่างาเดียวถ้าไม่มีอะไรอยู่ถ้าไม่มีอะไรอยู่มันความความคิดมันจะเข้ามาตลอะถึงแม้กําลังพุโทโธอยู่มันก็ยังเข้ามาได้ มันเข้ามาก็อย่าไปสนใจตอนต้นมันแข่งกันมันแย่งกันเราก็พุโทโธของเราไปมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปแต่อย่าไปเถียงกับมันอย่าไปอะไรกับมันพุโทโธพุโทโธของเราไปไม่รู้ไม่ชี้ไปแต่ถ้าเรผมอาจจะไม่ได้พุโทโธแต่จะอยู่กับลมได้ก็ดูลมไปอย่างเดียวอ<น>อย่าไปสนใจกัความคิดที่มันจะแทรกเข้ามาให้รู้เข้ารู้ออกรู้กําลังหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆอออย่างนั้นเดียวขออีกข้อนะครับ อ่าคืออริยสัจสี่ที่ที่ว่าผมเหมือนกับมีศึกษามาพระบาแบบไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะคืออย่างทุกเนี่ยพอพอเข้าใจเอ่าแล้วก็เหตุให้เกิดทุกก็คือตัณหา อ, อันนี้ในความเข้าใจของผมนะก็คือความอยากที่มีการมัตัณหาภาวะตัณ ห, หาวิภาวะตัณหานิโรธเนี่ยคือความดับคือสุดมรรคก็คือมรรคหายไปไงทุกหายไปเวลาทุกหายก็เรียกนิโรธ ทุกมันเกิดแล้วดับได้ไงใช่ไหมเราเราอยากดื่มกาแฟมันก็ทุกขึ้นมาพอเราไห้ดื่มกาแฟปั๊บก็ความทุกข์นั่นก็ดับไปแต่มันดับแบบชั่วคราวถ้าดับแบบถาวรนี่ต้องดับด้วยการไม่ดื่มพอไม่ดื่มแล้วหยุดความอยากดื่มได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากดื่มก็จะหายไปก็เรียกว่านิโรธงันนี้ขอข้าใแล้วพระอาจอรยคื อ, อคำว่า หลุดพ้นบรรลุธรรมอืแล้วก็นิพานเนี่ยความหมายนี้คืออันเดียวกันมหมหรือว่ามันก็หลุดพ้นก็มาหลุดพ้นจากความทุกข์ก็นิพานนี่เนี่ยถ้าถึงนิพานมันก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือความหมายหรือความหมายเดียวกันคือมันไม่มันมันถ้าความหมายอันเดียวกันมันก็มันก็มันจะว่ามันมันอันเดียวกันก็ไม่ได้มัน มันมันต่างลักษณะกันคําว่า น, นิพานก็คือจิตที่ไม่มีความอยากพ<ม>อไม่มีความอยากก็ไม่มีความทุกข์ก็เลยดุจทนจากความทุกข์อย่างนี้บรรลุธรรมนี่คล้ายๆกับอย่างผมก็บรบรลุก็คือได้สําเร็จเนี่ได้ทํางานสําเร็จได้หยุดทํางานจนกระทั่งกําจัดความอยากให้หมดไปจากใจกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจก็บรรลุธรรมบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าบรรลุธรรม เหมือนเรียนจบปริญญาอย่างนี้ก็เรียกบรรลุเรียนจบได้ปริญญาตีก็บรรลุระดับปริญญาตีจบปริญญาโทก็บรรลุปริญญาโทไปเหมือนการกบครับขออนุญาตพรัาจารเมตตาอธิบายเรื่องอสุภะในการพิจารณา เพิ่มเติมมาค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เข้าใจหนูฟังเทศหลวงตาหลวงตาบอกว่าให้ตั้งมันเอาไว้อย่าทําลายอะค่ะก็นึกมันบ่อยๆไงคิดมันบ่อยๆคืออย่าไปอย่าไปทําให้มันกระจายกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปให้ดูสภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายเช่นเวลามันเน่าเฟะเวลาเฮียดูมันจนกระทั่งให้มันเกิดความขยะขยงะง เห็นเห็นดาราภาพยนตร์ก็คิดถึงเวลาร่างกายเขาตายเน่าเฟะขึ้นมาอะไรคิดอย่างนี้านน ก, การประวัติการค่ะคำถามคือเวลาปฏิบัตินะคะพยายามรู้ลมแล้วก็พุทโธเบาๆทีนี้บางช่วงมันจะเคิมๆแล้วก็วูบแล้วก็นิ่งแล้วก็สว่างจนสักพักแล้วคายตัวควรจะปล่อยให้คายตัวก่อนแล้วค่อยกลับมาพุทโธหรือว่าให้วูบนั้นไม่ดีควรจะพุทโธต่อเลยอะคะ่ะ คือมันรูปมันรูปแบบหลับหรือเปล่าบางทีมันสติมันอ่อนมันสะงกไปมันก็รูปได้ถ้ารูปอย่างนั้นก็ไม่ควรก็ควรจะมีพุทโธกํากับอยู่เรื่อยๆจะดีกว่าสังเกตเห็นมีความแตกต่างะค่ะเคยรูปแบบว่าหลับไม่เบอร์เบอร์แต่ว่ามันเหมือนกับว่าบางครั้งรูปแต่รู้ตัวนิ่งแล้วก็สว่างเงินนวนอ่าจย่างั้ก็ดีแต่จะอยู่แค่แป๊บเดียวก็ทําต่อไปให้คายตัวมาแล้วค่อยอ่านพอมันออกมาก็พุทโธต่อดูลมต่อไป ไม่ใช่พอมันวูดนิดนึงแล้วเรารีบๆพูดโธไม่จำเป็นไม่ต้องรีบแล้วถ้ามันวูดก็ปล่อยมันวูดไปควาแบบมีสติเลยก่อยนอ่านดูเฉยๆถ้ามันวูดแล้วมันเน่งสว่างสบายก็ปล่อยมันไปมันจะนวลเบาๆมันเริ่มสงบมันเริ่มเริ่มสงบทีละนิดเทียหน่อยก่อนแล้วข่ายตัวค่อยมาปลุกแล้วก็พูดโธต่อและบางครั้งจะมีอาการเ่นิ่งแต่ว่ากระตุก กระตุกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้ตัวก็รู้ว่าเฉยๆก็แล้วกันรู้ว่าเฉยๆไม่ได้เป็นอันตรายไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรเสียหายอะไรค่จิตใจนี้มันรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อืแม้ระเบิดนิวเคลียมันก็รับได้ยังไม่ต้องกลัวเมอะไรปรากฏการขึ้นในใจไม่ต้องไปวิตกให้ดูว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมีอีกอาการเนี้ยค่ะบางครั้งเดินจงกรมอยู่หรือว่ายืนภาวนาพยายามสงบหรือนอนภาวนาแล้วมัน มันจะหลุดจากพุโทโธหรือลมหายใจไปจับที่หัวใจเต้นไม่ควรจะตามใช่ไหมคะไม่ควรคว<น>รจะอยู่ที่เดียวอยู่พุโทโธแล้วอยู่อารมหายใจไปบางครั้งต้องฝืนมากเลยก็ต้องออฝืนเ <มา S 1> พ<ว>กิเลสมันชอบดึงจิตให้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลราเราไปจากอางนั้นไปที่อื่นต่อตอก่อนนอนนี่ควรจะพุทโธจนหลับหรือว่าแล้วแต่ถ้าจะใช้พุโทโธเป็นยานอนหลับก็ได้ถ้านอนไม่หลับก็พุโทโธดู แต่บางคนพุดโทรแล้วไม่ดับก็ได้มันไม่แน่ก็แล้วแต่คือโยมโกลัวว่าเดี๋ยวถ้าพุดโธรแล้วหลับเนี่ยเดี๋ยวเวลาในปฏิบัตินั่งจริงเนี่ยมันอาจจะเผลอหลับพราะติดใสายเกี่ยวอ๋อไม่ไ ม, ไม่เกี่ยวกันอนะ่ะไม่เกี่ยวถ้านั่งมันจะไม่หลับ อ, อ่ะถ้านอนมันจะหลับง่าย่าวันนี้ทาง facebook youtube เข้ามาเท่าไหร่เต็มที่วันนี้ facebook สูงสุดสามร้อยสองค่ะ youtube สูงสุดแปดสิบแปดค่ะวิทยุมีสี่ค่ะมีคำถามัหมคำถามนะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกสองคนเพราะพ่อเด็กปัดความรับผิด ช, ชอบและโยนภาระไว้แต่ปัญหาคือตอนนี้ดิฉันไม่มีอาชีพและมีปัญหาเรื่องการเงินขอวิธีคิดด้วยค่ะ ถ้าลูกเอามาถ้าลูกมันโตพอช่วยหาเงินได้ก็เอามันมาช่วยหาเงินถ้าเราอสมัยก่อนเขาอาศัยเอาลูกมามาช่วยทํางาน่ะชาวนาชาวไร่เขาไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนเขาก็เอาลูกเนี่ยมาช่วยทํานาทําไร่ทํางานในบ้านดังนั้นมีลูกไม่ต้องเลี้ยงมันอย่างเดียวลูกนี้ก็เอามาใช้งานได้มาช่วยกันหาไรายได้ได้ถ้ามันจําเป็นถ้าเราหาคนเดียวไม่ได้ก็ ก็ต้องให้ลูกมาช่วยหากันบอกลูกว่าถ้าไม่ช่วยก็ตายอดตายเขาถ้าเขาก็เห็นความจาเป็นเขาก็จะช่วยเองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกงามค่ะผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดโดยไม่ได้บอกพ่อแม่ทำให้ท่านติดต่อผมไม่ได้และทำให้ท่านไม่สบายใจแบบนี้จะบาปไหมครับและมีทางแก้ไขบาปนั้นบ้างไหมครับอ๋อไม่บาปหรอ ก็ค่าวหน้าถ้าเราไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจก็บอกไว้ก่อนว่าจะไปไหนแล้วก็จะไม่ติดต่อกันชั่วขราวคำถามข้อที่สองนะคะผมอดอาหารแล้วร่างกายกับจิตจะแยกกันอย่างเห็นชัดแต่มาตอนนี้ทำไมมันดิ่งลงเหวทั้งสองอย่างงงๆผมขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีแก้ หรือผมต้องภาวนาะต่อไปเรื่อยครับไม่เข้าใจความหมายว่าเด้งลงเหวเป็นยังไงถ้าจิตเด้งลงเหวแล้วสงบก็ดีจิตสงบก็ไม่มีปัญหาอะไรเด้งลงเหวแล้วจิตสงบมีความสุขก็ใช้ได้มีความอิ่มไม่หิวโหยร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยวางได้ไม่เดือดร้อนถ้าเด่งแบบนี้ก็ดีพยายามทําบ่อยๆทําให้จิตมันเด้งลงเหวบ่อยๆ แล้วเวลาจิตสงบแล้วมันไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายความทุกข์ยากลำบากของร่างกายร่างกายมันจะดูแลดีขนาดไหนในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีสู้เรามาเตรียมตัวเตรียมใจสอนจิตให้รับกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายจะดีกว่าแล้วเวลามันเกิดขึ้นเราจะได้ไม่เดือดร้อนถ้าเรามัวแต่มาดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้มันดีกลัวมันจะไม่ดี เดี๋ยวเวลามันไม่ดีเราจะรับ ก, กับสภาพไม่ได้เพราะร่างกายต่อให้เลี้ยงดูดีขนาดไหนเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องไม่ดีตามธรรมชาติของมันอย่างถ้ามันไม่ดีตอนนี้แล้วเราใช้มีส์มีจิตที่สงบไม่วุ่นวายกับมันได้ก็ถือว่าเราโชคดีเพราะต่อไปเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายพิกลพิการเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย ในเพศคราว่าจะทำอย่างไรให้ทรงคุณของการปฏิบัติธรรมได้ครับถ้ามีเวลาว่างก็ไปหาที่สงบปฏิบัติเช่นวันหยุดเนี่ยสี่วันนี้แทนที่จะไปเที่ยวไปเลี้ยงฉลองกันไปส่งท้ายปีเก่ากันก็ไปอยู่วัดถ้ามีวัดอยู่ก็ไปไม่มีวัดถ้ามีที่ไหนที่เรารู้ที่เราอยู่คนเดียวได้ที่สงบเราก็ไปที่นั่นเพื่อที่เราจะได้ไป บำเพ็ญสติสมาธิปัญญาให้มากขึ้นแล้วต่อไปพอเรามีกำลังมากขึ้นเราก็จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบต่อไปคำถามจากคุณโอ้ยเนาะอยากทราบว่านิมิต น, นี้บอกอะไรหรือคะนอนอยู่ได้ยินเสียงบอกว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรกับอะไรพูดวลีเดียวเร็วขึ้นปารากฏภาพพระเดินจงกรมวนไปวนมาเห็นแค่ช่วงขาที่เดินเร็วขึ้นตามวลีนั้น เป็นเหตุการณ์อยู่อย่างนั้นประมาณยี่สิบนาทีค่ะตอนท้ายมีเสียงบอกอีกว่าสภาวะรมเข้มเข้มงวดเข้าไปอีกแล้วเห็นภาพพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสมายืดูข้าพเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้ากราบขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะ อ, อ๋อถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรก็อย่าไปสนใจมันจนกว่าเราจะสามารถที่จะออวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ถ้าวิเคราะห์ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นของที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็แล้วกันอย่าไปแบกมันอย่าไปกังวลกับมันโดยใช่เหตุแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์คําถามจากคุณถ้วยฟูเคยเกิดอาการจิตสงบวูบลงไปหลังจากวันนั้นเวลานึกถึงลมหายใจเมื่อใดสามารถกําหนด ให้ขนลุกขนพองและเกิดความซาบซ่านทั่วร่างกายได้ทุกเวลาที่ต้องการอาการเช่นนี้คืออะไรครับและเกิดและเกิดขึ้นได้เช่นไรครับก็เรียกว่าปิติเวลาจิตเราอยู่ในความสงบมันก็จะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาจะทำให้จิตมีความปิติสุขได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดไวแต่ก็ยังไม่สงบเต็มที่ ถ้าสงบเต็มที่แล้วความปิติก็จะหายไปเหลือแต่ความนิ่งเฉยความสักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำพังก็ทำต่อไปเวลามันเกิดขนลุกซาแล้วก็พยายามกำหนดสติต่อไปหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้จิตมันลงเข้าไป้วกกว่านั้นให้มันเข้าสู่ฐานของจิตคือความสงบความนิ่งคำถามจากคุณจงซีนี หนูไม่สบายใจที่ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดในช่วงปีใหม่ทั้งที่ตั้งใจจะไปแต่ถูกคนในครอบครัวคัดค้านเลยไม่ได้ไปกับกลายเป็นว่าหนูกลุ้มอย่างนี้เรียกว่ากิเลสไหมคะเป็นยังไงอยากาไม่ได้ดังใจอยากแต่แม้ว่าจะความอยากที่ดีถ้ามันทำให้เราไม่สบายใจก็เป็นมันก็เป็นความอยากที่เราต้องหยุดเพราะเมื่อเราอยากไปแล้วเราไม่ได้ไปเราก็ต้องหยุดความอยากนี่ไว้ก่อน เราโอกาสที่เราไปได้แล้วก็อยากไปใหม่คำถามจากคุณเพนประพาในกรณีที่ย่าเสียชีวิตไปแล้วเราทำบุญอุทิศไปให้เขาจะได้รับบุญนั้นหรือไม่เจ้าคะก็ไม่แน่แล้วแต่สถานภาพของเขาถ้าเขาทำบุญไว้มากเขาก็ไปเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีบุญเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญถ้าเขาไม่ค่อยได้ทำบุญเลยเขาอาจจะไปแบบขอทาน อันนั้นเขาก็จะมารับส่วนบุญของเราได้งั้นก็แล้วแต่สภาพของเขาจิตใจของเขาว่าเขาขณะที่มีชีวิตอยู่เขาได้ทำบุญมากน้อยเพียงไร้อที่สองคุณยายฝากเรียนถามว่าในกรณีที่มีสมาในกรณีที่สมาธิเดินจงกรมสามารถทำที่บ้านได้หรือไม่จะได้บุญเหมือนกับทำที่วัดหรือไม่เจ้าคะได้อยู่ที่ไหนก็ทาได้ อยู่ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ขอให้มันที่ที่มันสงบจะดีกว่าถ้าที่วัดนี้ไม่สงบเท่ากับที่บ้านก็ทำที่บ้านดีกว่าถ้าที่บ้านไม่สงบเท่ากว่าที่วัดที่วัดสงบกว่าก็ทำที่วัดจะดีกว่าการจะทำสมาธินี้ต้องอาศัยสถานที่สงบที่เรียกว่าวิเวกไปเปลีกวิเวกก็ไปหาที่สงบไปอยู่คนเดียว จะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจไม่มีอะไรมาดึงให้ใจเราไปคิดถ้าเราไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาก็ชวนเรา ท, ทํานู่นทํานี่ชวนเราคุยชวนอะไรไปก็ต้องใช้ความคิดกันถ้าถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมาชวนก็จะมีเราจะชวนตัวเราไปเองอยู่คนเดียวเดี๋ยวลาคายก็อยากจะไปทํานูน่นทํานี่ขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องหยุดมันด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิด